คนทั่วไปนะบางทีก็มักจะพูดว่าเราไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมนะไม่มีโอกาสมาวัดมาปฏิบัติธรรมนะอันนั้นเป็นความเป็นความเข้าใจผิดนะเป็นความเข้าใจผิดว่าเราไม่มีโอกาสไม่มีบุญนะเพราะที่จริงแล้วนะ่ะ โอกาสหรือบุญจริงๆก็คือการที่เราจัดสรรตัวเองนั่นแหละให้ได้ทำสิ่งที่เราถ้าเราต้องการจริงๆนะถ้าเราเห็นความสำคัญของของการมาวัดของการฟังธรรมหรือการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราเห็นความสำคัญจริงๆนะเราอย่ารอโอกาสนะให้เราจัดสรรโอกาสของเราเองอันนั้นแหละถึงจะเป็น เป็นบุญนะจริงๆนะไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอบุญอะไรนะแต่ให้เราจัดสัรตัวเองนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากนะคนเราบางทีก็จะมักคิดว่าต้องรอนั่นรอนี่พร้อมนะแต่บางทีรอแล้วรอเล่าจนจนอาจจะไม่ได้ทำเลยแต่ถ้าเราเห็นความสำคัญนะ ให้เราจัดสรรตัวเองคือบางทีอาจจะเพราะเขาไม่เห็นความสําคัญจริงๆนั่นแหละก็เลยไม่ได้จัดสรรตัวเองเพราะถ้าเราเห็นความสําคัญจริงๆนะเราก็ยังจัดสรรวางเรื่องไปทําได้นะเรายังจัดสรรเวลาไปเที่ยวต่างประเทศได้นะยังยังนัดเพื่อนไปกินข้าวไปเดินเที่ยวห้างไปซื้อของไปทําอะไรเราก็ยังสามารถ นัดกันได้ชวนกันได้นะการเข้าวัดก็ดีการฟังธรรมก็ดีหรือการปฏิบัติธรรมก็ดีก็คล้ายๆกันถ้าเราเห็นความสำคัญนะเราก็เราก็สามารถจัดสรรให้สถานการของเราไปอยู่ตรงนั้นได้อันนี้คือนี่คือโอกาส น, ะนะนี่คือจะเรียกว่าวาสนาก็ได้นะนะ วาสนาบางทีเราคิดว่ามันเป็นเรื่องแข่งขันกันไม่ได้นะเป็นเรื่องที่มันเป็นโชคชะตาลิขิดนะแต่วาสนานะหลวงพ่อเขียนท่านท่านตีความให้เราเห็นชัดๆว่าวาดก็เหมือนวาดรูปมันนะแทนที่จะเป็นวาสนาที่เป็น่อเสือแล้วก็เหมือนวาดรูปมันนะวาดเราอยากจะวาดชีวิตเราอย่างไรนะแล้วก็วาดของเราเองแบบนั้นแหละนะ ไม่ต้องรอให้ใครมาได้ขีดชีวิตเรานะแต่วาสนาจริงๆคือการที่เราสร้างสรรค์ชีวิตของเราเองนี่แหละนะในทางไหนนะเราอยากจะวาดรูปเป็นแบบไหนเราก็วาดของเราเองนะแต่ว่าถ้ามันจะสวยวาดแล้วมันจะสมบังหรือเปล่าเป็นอีเรื่องหนึ่งนะแต่เราก็ทำเต็มที่ของเราแล้ว น, ะนี่คือวาสนาหรือว่าโอกาสที่เราจัดสรรตัวเองนะ เนี่ยเราก็หลายๆท่านก็จัดสรรตัวเองเนะให้โอกาสตัวเองมาทำตัวนี้ก็ถือว่าก็ดีมากละนะแต่ก็คอยมันและดึกอยู่เสมอว่านะวาสนารบุญกุศลจริงๆก็คือการที่เราการที่เราให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นๆแล้วก็เราตั้งใจทาในสิ่งนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญมาก หรือที่เราหลายคนพูดนะว่าแบบไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมนะอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดอย่างมากอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเพระที่จริงนะพระพุทธเจ้าท่านก็ให้เราปฏิบัติธรรมได้ในทุกทุกรูปแบบนั่นแหละนะโดยเฉพาะนะเรื่องการเจริญสติเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดไว้ชัดเจนนะ ยืนเดินนั่งนอนนะให้มีสตินะคู้เหยียดเคลื่อนไหวนะให้รู้สึกตัวนะกินดื่มขับถ่ายนะให้รู้สึกตัวนะหรือไม่แต่ย่อยลงไปนะของพระเช่นนุ่งสบงทรงจีวร น, นะคลองบาทนะให้รู้สึกตัวถ้าเป็นโยมก็อาจจะใส่เสื้อใส่กางเกงวีผมนะแต่งตัวนะก็ให้รู้สึกตัวเลยนะนะี่ กินพูดนะขับทายนะให้รู้สึกตัวคือพระเจ้าท่านบอกไว้ชัดเจนมากเลยอ๋อที่จริงอิริียบท่างๆที่เราทำปกตินี่แหละเพียงแค่เราเติมความรู้สึกตัวเข้าไปเนะี่ยอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วนะมันแต่ถ้าบางคนคิดว่าเราไม่มีวลาปฏิบัติธรรมเพราะว่าดืม เพราะว่าไม่เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าสอนตอนนี้แหละว่าอ้อปฏิบัติธรรมนี่ต้องไปทำอะไรต่างหากออกไปหรือเปล่านะไอ้ที่ทำในรูปแบบก็มีนะก็มีดังนั้นจัดสรรตัวเองปฏิบัติในรูปแบบมันก็มันก็จัดสรรเพื่อจะทำก็ได้แต่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแหละก็คือเวลาปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งที่สำคัญมากนะอืม ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราทำอยู่แล้วนะเราทำอยู่แล้วเพียงแค่ให้เราเติมสติเข้าไปในการกระทำนั้นนะคือเดินก็ให้รู้สึกนะนั่งก็รู้สึกยืนก็รู้สึกนะนอนก็คือนอนให้รู้สึกตัวแต่เราบางทีแต่เร า, บ า, เราบางใจผิดนิดนึงบางคนเดินเพื่อให้มันถึงที่หมายนะ นั่งก็เพื่อทำแต่การงานข้างนอกเลยนะหรือนอนก็อยากให้มันหลับเนะที่จริงพวกนั้นมันเป็นผลพลอยได้นะแต่ถ้าเรายืนเดินนั่งนอนด้วยการมีสติด้วยความรู้สึกตัวนะก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวแล้วผลข้างนอกนะมันก็สำเร็จไปพร้อมกันคือมันได้ทั้งผลรับภายในใจแล้วก็ ผลรับข้างนอกนะพร้อมๆกันนะหือบางทีผลรับภายในใจเนี่ยเกิดก่อนผลข้างนอกเนี่ยเกิดทีหลังนีเช่นะเราเดินนะเรามีสตินะเราก็ได้ความรู้สึกตัวด้วยความสงบนะในขณะที่เดินนะแต่ทำไมอาจจะเดินยังไม่ถึงปลายทางนะผลรับข้างนอกอาจจะต้อง อ, อาศัยการสะสมมากกว่า น, นั้นสักหน่อยแต่ให้เราระลึก อยู่เส ม, มอว่าที่จริงครูพระอาจารย์สอนให้เราให้เรามีสติให้เรารู้สึกตัวได้ทุกขณะนะหรือจําได้เลยอาจารย์กับผลนะเขียนจมายถามหลวงพอ่อผมมีคนพิการนะผมจะปฏิบัติทำได้หรือเปล่าครับหลวงพ่อบอกถ้ายังหายใจใอยู่นะปฏิบัติทำได้ถ้ายังหายใจใอยู่นะหายใจเข้าหายใจออกนะให้รู้สึกตัวนะ นี่ยก็ได้แล้วนะหรือพิกมือนะถ้าพอพลิกมือได้ก็พิกมือนะให้รู้นะแต่อย่าเข้าไปอยู่เนะี่ยสำคัญน ะ, นะที่หลวงพ่อย้ำตรง น, นี้คือให้รู้สึกนะให้รู้สึกตัวแต่ไม่ใช่ให้เอาใจไปอยู่ที่มือน ะ, นะลมหายใจก็เหมือนกันนะไม่ใช่เอาใจไปอยู่ในลมหายใจนะแต่ให้รู้สึกนะหายใจเข้าก็รู้สึก หายใจออกก็รู้สึกเนะคล็ดลับการปฏิบัติแบบสมถะหรือว่าแบบวิปัสสนาต่างกันอยู่หน่อยไม่ใช่ว่าสมถะไม่ดีทั้งหมดนะบางทีก็ดีนะเพื่อพัผ่อนนะเพื่อให้มันมีความสุขชั่วขณนนะสมถะเช่นนี่เราเอาใจไปอยู่ในลมหายใจนะ เอาใจไปอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันก็ได้ความสงบนะได้ความสุขขึ้นมานะแต่ถ้าคิดดับที่เราจ ะ, จะเจริญสติหรือจะให้มันเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นนะต้องไม่เอาไปอยู่นะแต่ให้เพียงแค่รู้นะหรือเห็นมาต่างกันตรงนี้นะนะคือถ้าอยู่ละมันจะกลายเป็นเราเราจะไปอยู่กับสิ่งนั้นมันกลายเป็นตาม เข้าไปนะแต่ถ้าดูถ้าเห็นเนะ่เราจะไม่เป็นแต่เราจะเป็นเหมือนคนสังเกตนะสังเกตดูนะดูปรากฏการณ์ที่เขาแสดงให้เราเห็นนะอันนี้แหละคือให้เราทำอะไรก็ดูนะดูท่างกายเขาทำนะคือเวลาเดินก็ไม่ใช่ว่าพูดว่าเรากาลังเดินนะ เวลาทำนั่นทานี่ก็ไม่ใช่ไปพูดกากับว่าเราทำนะอย่างนั้นอย่างนี้นะนะเวลาคิดก็ไม่ต้องไปกากับว่าเฮ้ยเราคิดแบบนั้นแบบนี้นะการเจอเจอสติจริงคือการดูนะดูร่างกายเขาเดินดูร่างกายเขานั่งดูร่างกายเขานอนนะนะเห็นเป็นรูปที่เขาเดินอนนดูดีๆนะหรือแม้แต่ใจที่มันคิด หรือใจที่มันมีอารมณ์นะก็ดูมันเป็นดูว่าใจมันคิดของมันนะดูใจมันมีอารมณ์เกิดขึ้นนะแต่ถ้าเราเข้าไปอยู่นะโอ้กลายเป็นเราคิดนะกลายเป็นเราเป็นนั่นเป็นนี่นะเนี่ยเราก็ดูแบบนี้ดูรูปดูนามคือดูแบนี้นะดูรูปเขาทำงานนะดูนามเขาทำงานนะรูปเขามีตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะมีตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยดูได้ตลอดเวลาเลยนะดูรูปเนี่ย ดูรูปนะที่เขาเคลื่อนไหวดูรูปที่เขาหยุดนิ่งเนะี่ยดูไปดูไปดูไปบ่อยๆนะดูไปเนืองๆอะเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติธรรมนะนะเนี่ยคือเราจะอยู่ตรงไหนนะเราก็สามารถทำได้นะพรเจ้าท่านบอกว่าเนี่ยธรรมะเป็นอาการิโกนะไม่จำกัดการนะไม่ใช่ว่าธรรมะมีตลอดเวลาอันนะั้นก็ใช่ความหมายหนึ่ง แต่ธรรมะที่เป็นอาการลิโกก็คือว่าเราสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาเนี่ยเป็นอาการลิโกเนี่ยไม่เลือกเวลานะไม่เลือกตอนเช้าไม่เลือกตอนสายไม่เลือกตอนบ่ายไม่เลือกตอนเย็นไม่เลือกตอนค่ำนะไม่เลือกก็เราอยู่ที่ไหนนะสามารถปฏิบัติทำได้นะทุกลมหายใจนะนะตราบใดที่ยังหายใจอยู่เนี่ยปฏิบัติทำได้ เดิมันก็เคยแนะนําคนที่หายใจเองไม่ได้เช่นใส่ท่อช่วยหายใจนะแต่แต่หลายคนก็บางทีก็เหมือนไม่ตอบสนองพูดคุยไม่ได้นะแต่ก็แต่ก็คิดว่าถ้าจิตยังคือถ้ายังไม่ตายนะก็แนะนําให้เขาบริกรรมเราก็ได้นะพุโทโธพุโทโธอะไรนะ่นะแต่คือแบบพุโทโธแบบให้ พุทโธใจรู้นะพุทโธรู้ทันใจตัวเองนะคือไม่ใช่พุทโธแบบพุทโธไปิเฉยๆนะบริกรรมไปเฉยๆบริกรรมให้จิตมันสงบหรือบริกรรมสักแต่ว่าบริกรรมนะคือพุทโธก็รู้ว่าบริกรรมมาพุทโธคือไม่ใช่พุทโธก็ให้รู้นะรู้ตัวขณะที่พูดนะพุทโธแล้วก็รู้ทันใจตัวเองด้วยมันน ถ้าปฏิบัติแบบเนี้ก็ถือว่าปฏิบัติ ท, ทําได้เหมือนกันนะแม้หายใจเองไม่ได้นะแต่ก็รู้ตัวนะทําอะไรก็รู้ตัวนะคิดบริกรรมข้างในใจก็รู้ตัวคนะืออะไรเกิดขึ้นในใจแทรขึ้นมานะก็รู้ตัวไม่ใช่บริกรรมเพื่อจะเอาสวรรค์อะไรต่างๆหรือไม่บริกรรมเพื่อจะเอาความสงบอะไรต่างๆ แต่ทาเพื่อความรู้ตัวเนี่ยอันนี้ก็คือปฏิบัติทำได้นะนั้นจริงๆนะคนเราทุกคนสามารถปฏิบัติทำได้ทุกสถานที่นะทุกเวลาเลยนะไม่ว่าเราจะร่างกายปกตินะหรือเราจะร่างกายผิดปกตินะเราสามารถปฏิบัติทำได้ตลอดเพราะว่าเรายังมีกายอยู่นะแล้วกายก็ยังสามารถที่จะ มีความรู้สึกตัวอยู่ในกายได้เนี่ยเราสามารถปฏิบัติทําได้นะคือเนี่ว่าเติมสติเข้าไปเนียเติมสติเข้าไปรับรู้ในสิ่งที่ทำนะทําอะไรให้รู้ตัวนั่นแหละคือปฏิบัติทําแล้วนะแล้วก็รู้เท่าทันจิตใจนะเวลามันนึกเป็นคิดมันมีอารมณ์อะไรขึ้นมาให้เห็นมันนะให้รู้เท่าทันมันนะเห็นนะ ไม่ไคิดว่าเป็นเรานะเห็นว่าใจมันคิดของมันนะเพราะถ้าเราดูบ่อยๆนะทั้งรูปทั้งนามนะเขาสแสดงอาการเหมือนกันทั้งหมดแหละนะอแสดงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนให้เราเห็นทั้งนั้นเลยนะนะเราก็ดูมันบ่อยๆแบบนะี้ดูย่ำไปเรื่อยๆดูย่ำไปเรื่อยๆนะ บางทีก็ธรรมดานะบางทีก็ลืมไปบ้างนะลืมตัวนะไปสนุกสนานไปพูดคุยไปใจลอยไปที่อื่นก็ลืมไปบ้างนะแต่เราก็คอยหมั่นรละลึกตัวอยู่เสมอนะคอยหมั่นรละลึกอยู่เสมอกลับมาดูนะกลับมาดูกายดูใจบ่อยๆนะมันจะเป็นการสร้างความเคยชินของใจในการกลับมารู้สึกตัว ก็ลกลับมาบ่อยๆนะผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะช่างหัวมันเนะี่ยก็เอาใหม่เอาใหม่นะดูใหม่ไปเรื่อยนะนะถ้าเราฝึกแบบนี้นะมันจะจิตจิตใจมันจะติดเป็นนิสัยในการนะระลึกรู้ตัวอยู่บ่อยๆนะบ้างบ้างเมื่อใดก็น ะ, ะ ร, นะรู้สึกตัวเลยนะเห็นตัวก็นั่งนะหรือเดินก็เห็นเลยตัวมันเดินอยู่ยนะ่ะ หรือใจมันแว บ, บไปคิด ก, ก็เห็นมันเลยนะั่นนะล้วลึกบ่อยๆเนะี่ยคือเรียกว่าสติใจเป็นอัตโนมัติมากขึ้นนะถ้าเราดูแบบนี้บ่อยๆเราจะอ๋อที่จริงทุกขณะนะในการกระทำต่างๆเนะี่ยเออสามารถปฏิบัติธรรมได้จริงๆนะนะปฏิบัติธรรมได้นะมันก็ให้ผลได้ในทุกที่ทุกเวลาเหมือนกันนะอย่าไปรอว่าโอออนะ เดี๋ยเราเค่อยมาฟี่วัดหรือเราต้องรอตอนเย็นมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมในรูปแบบก่อนนะอย่าไปรอแบบนั้นนะบางทีโกรธที่ไหนนะก็ดับความโกรธที่นั่นนะทุกที่ไหนก็ดับความทุกข์ที่นั่นนะหลงที่ไหนก็ดับความหลงที่นั่นแหละเนี่ยปฏิบัติธรรมคือตรงนี้นะอย่าไปรอว่าอืมย่าไปรอวเวลาเพื่อที่จะทําในรูปแบบอย่างเดียวนะอื หรือรอเวลาเพื่อจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดอย่างเดียวนะทำได้ทุกที่นะแต่ถ้าจะดีนะเราก็จะัดสัรเวลาทำในรูปแบบในแต่ละวันด้วยก็ดีนะมันจะเป็นการเพิ่มเพิ่มกําลังนะของสมาธิกําลังของสติให้มันให้มันเข้มแข็งขึ้นนะอะควรจะจัดสันเวลาทาในรูปแบบทุกวันนะ ตามที่เราจะทำได้ว่าเวลาที่เราไม่ต้องไปยุ่งเรื่องอื่นมากเราก็จัดสรรเวลาทำในรูปแบบให้มันมีเป็นประจำทุกวันให้เป็นนิสัยนะวันนะสิบนาทียี่สิบนาทีอะไรก็ก็ขอให้ตั้งใจอธิษฐานที่จะทำเถอะนะมันจะเป็นการเพิ่มกำลังใจของเรานะวันขี้เกียจนะแต่อธิษฐานแล้วก็ต้องทำเนี่ย มันจะเข้มแข็งตรงนั้นแหะนะแต่ถ้าวันไหนขยันค่อยทำวันไหนขี้เกียจไม่ทําเนี่ยมันไม่เข้มแข็งนะมันจะทําตามความขยันไม่ทําตามความขี้เกียจนะแต่ถ้าเราอธิษฐานเออเหนื่อยขนาดไหนก็ ก, ก็ทำํำนะทามันจะได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรนะแต่เราได้ทำํำนะสําคัญจริงๆคือการได้ทํานะทําแล้วมันจะสงบทําแล้วมันจะ สบายทนะํานั้นมันจะรู้ตัวมากลนะักนาะไหนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเราไปกำหนดได้ละนะแต่เราเพียงแค่ตั้งใจทำนะตั้งใจทําในสิ่งที่เราเนะให้ความสำคัญตรงนี้ให้ค่าตรงนี้น่นะจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะให้เราให้เรามีการจัดสรรเวลาให้ความสำคัญในการทําในรูปแบบด้วยนะแต่เราก็อย่าลืมว่านอกรูปแบบเราก็ต้องอ่นะ ใส่ใจใส่สติเข้าไปในการกระทําด้วยนะและลึกรู้อยู่บ่อยๆนะโดยเฉพาะกิจวัตรหรือยบทหลายๆอย่างที่มันไม่ต้องใช้ความคิดมากนะเติมสติเข้าไปนะกินข้าวอาบน้ำแต่งตัวแปรงฟันกวาดบ้านถูบ้านอะไรนั้นนะหรือเดินนะนะนัะ กิจวัดคนเนี้ยเราไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากเลยเรารับรู้นะในการกระทำรับรู้ในการเคลื่อนไหวเข้าไปหรือรับรู้เวลามันกระทบเข้าไปเนะนียเนียเราเราลึกแบบเนี้บยบ่อยๆนะเราจะเห็นว่าโอ้วันวันหนึ่งก็สามารถปฏิบัติธรรมได้เยอะพอสมควรนะยังมีเวลาปฏิบัติธรรมอยู่เยอะเลยนะเนี้ย แล้วถ้าเรามาวัดต่อทําในรูปแบบต่อมันก็จะเป็นความต่อเนื่องนะเป็นการที่ไม่ได้เว้นวักไปนานนะเป็นหลายปีเป็นหลายเดือนอะไรนัเป็นหลายวันนะแต่จะเห็นโอ้ אותו, เราก็ทําทุกวันนะเราก็ทําทุกวันแต่บางวันก็ได้ทํามากบางวันก็ได้ทําน้อยแบบเนี้ยนะแต่ถ้าเราทำํำบ่อยๆเนะี่ยมันจะทําได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะมันจะ สติมันก็จะเป็นความเคยชินนะในการระลึกของเขาเองนะแรกแรกเราอาศัยเจตนาในการระลึกนะต่อไปมันก็ต้องลดเจตนาลงนะมันเป็นความระลึกของมันเองนะระลึกของเขาเองบางทีมีเจตนามากบางทีก็กลายเป็นการกาหนดเป็นการบังคับเป็นการจ้องเกินไปเราก็ต้องดนะูอย่างเรื่อง ความเพียรชอบนะสัมมาวายามะเนหมือนะืนคือความเพียรชอบนะคือมันเป็นความชอบหรือความพอดีที่ที่เรารู้ทันอกุศนหรือเปล่านะความเพียรชอบจริงๆคือการละอกุศนคือการเจริญกุศล น, นบางทีเราทําเราอยู่ในรูปแบบปฏิบัติธรรมนะแต่บางทีมันทําด้วยอกุศนเช่น โลภนะอยากจะได้มากๆนะหรือบางทีก็ทำเพราะว่าไม่ชอบไม่ชอบตัวเองที่มันโกรธอย่างนีน้ไม่ชอบความโกรธนะทำอยากจะให้มันหายโกรธนะมันก็ยังเป็นอกุศล น, นะจิตแบบนะี้ที่ทำคนะือด้วยความโลภนะอยากจะได้มากอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเป็นอะไรนะหรือบางทีก็ทําแบบปฏิบัติทาเพื่อจะให้ อากุศลที่มันเกิดขึ้นให้มันหายไปนะคิดว่าจะทำยังไงให้มันหายนะคือมันเอาอากุศลไปล้างอากุศล <c oughs> มันก็ไม่หายนะ เ, ออเหมือนเหมือนบ้านนะมันเปื้อนโคลนะลเอาก็น้ำโคลไปสาดอีกอะ่ะออมันก็โคลเก่าอาจจะออกไปแต่โคลใหม่มาแทนที่นะนั้นจิตเวลาเราปฏิบัติธรรมจริงๆนะ ให้เราตั้งใจทำสิ่งนั้นนะอย่างมีสติก็พอแล้วไม่ได้ทำเพื่อจะให้อะไรมันเกิดขึ้นไม่ได้ทำเพื่อจะให้อะไรมันหายไปนะทำด้วยความตั้งใจทำทำด้วยความใส่ใจรู้ตัวแค่นั้นพอแล้วนะอย่าไปคิดว่าปฏิบัติธรรมเช่นเราจะมีสติเพื่อให้มันไม่คิดนะเพื่อให้ความคิดมันหายไปนะ เรามีสติเพื่อให้ความโกรธมันหายไปนะมีสติเพื่อให้ความโลบมันหายไปนะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้ความง่วงมันหายไปแบบนั้นมีสติก็เพื่อมีสตินะแต่สติเขาทาหน้าที่ของเขาเองนะเมื่อมีสติแล้วนะความคิดก็อยู่ไม่ได้ของเขาเองนะเมื่อมีสติแล้วความโกรธก็อยู่ไม่ได้ของเขาเองแบบนี้ เราทำเหตุคือตรงนี้นะอย่าไปทำด้วยความคาดหวังผลว่าให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนะี่ยให้ระาวาังใจแบบนี้อันนี้จะเป็นความเพียรชอบนะเราจะทำในรูปแบบก็ดีนะอยทำนอกรูปแบบก็ดีนะการวางใจแบบนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะหลายคนปฏิบัติธรรมเพื่ออยากให้ได้นั่นได้นี่หรือว่าไม่อยากได้นั่นไม่อยากได้นี่นะ มันยังมีรากของตัญหาตัญหาการมตันหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาเนี่ยมันจะมีรากตัวนี้นะซึ่งเราต้องก็คอยสังเกตดูใจขณะที่ปฏิบัติธรรมมันทำด้วยความรู้ซื้อทำตรงตรงทำเฉยเฉยนะหรือเปล่าเนยหรือมันเจือได้ตัญหาพวกนี้นะมันเกิดขึ้นมาแต่ก็อย่าไปกังวลมันมากก็ แต่ก็ต้องคอยสังเกตนะบางทีความกังวลมันก็ทําให้เราเราเกรงเราเครียดนะอถ้ามันกังวลก็ให้รู้ทันใจเลยที่มันกังวลนะอกังวลปฏิวัติถูกหรือเปล่านอ่ะรู้ทันใจที่มันกังวลเลยอ๋อเห็นใจมันกังวลอยู่น่ะมมีคําถามเกิดขึ้นเอ้ยมันมีคําถามมีความสงสัยนะ บางทีก็อยากจะคิดหาคําตอบบางทีก็อยากจะไปถามคนอื่นให้ได้คําตอบนะให้รู้ทันใจว่าออมันสงสัยเนาะเนี่ยอันเนี้ยได้ธรรมะนะแต่อาจจะไม่ได้คําตอบแบบประเภทว่ามีคําถามแล้วก็มีคําตอบคําอธิบายอาจจะไม่ได้คําอธิบายแบบนั้นนะนะแต่เรากลับมาเห็นตัวละเห็นเห็นว่ามันสงสัยเนี่ยถ้าทางธรรมนะอันนี้เรียกว่าได้คำตอบละ คือกลับมารู้ทันตัวเองเนะี่ยอืมอะไรเกิดขึ้นมาแล้วแต่นะคือจับหลักให้ถูกก็คือเขาแสดงให้เราเห็นเท่านั่นแหละนะเราก็ดูเขาเห็นเขานะเราจะเห็นว่าเขาเกิดเราก็ดับไปทุกอาการนะเกิดขึ้นมาอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ไปทุกสิ่งทุกอย่างนะแม้แต่บางทีเราดูเป็นอารมณ์เดียวกันนะแต่มันคือสิ่ง มันเป็นเพียงแค่ความสืบเนื่องกันเหมือนลมน่ะเหมือนลมลมที่พัดตอนนี้นะแล้วก็พัดต่อมาเรื่อยๆมันก็คือลมนี่ไม่ใช่อันเดียวกันนะแต่มันมาทีละขณะทีละขณะให้เรารับรู้ได้ทีละขณะทีละขณะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตใจนี่ก็เหมือนกันนะมันคืออาการคือธรรมชาติเหมือนกับลม ที่พัดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะเกิดสิ่งใหม่เข้ามาแล้วก็ผ่านไปอีกนะสืบเนื่องต่อกันไปแบบนี้แหละนะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนนะมันมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งนั้นอันนี้แหละคือธรรมะที่ให้เราดูอย่างนี้นะให้เห็นอย่างนี้นะให้ปฏิบัติอย่างนี้นะเราจะเข้าใจเลยว่าอ วัสนาจริงๆก็คือสิ่งที่เราสิ่งที่เราตั้งใจทำนี่แหละนะบุญกุศลจริงๆนะก็คือนี่แหละนะเราเข้าใจตัวเองนะเราเห็นตัวเองนั่แหละคือบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะนะเวลาไหนที่เราปฏิบัติธรรมได้นะก็ทุกโอกาสเลยนะคือเวลาที่เราปฏิบัติธรรมได้นะไม่จำกัดสถานที่ไม่จำกัดเวลาเลยนะ แล้วก็ให้ให้มันระลึกตรงนี้อยู่เสมอแล้วเราก็จะมีธรรมนะอยู่ในใจตลอดเวลานะ